มีความทุกข์เป็นเนิ่งนะอะไรคือทุกข์แล้วก็เห็นกางปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์กางปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์กางครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจไม่เป็นทุกข์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 งันาสตร์ก็ว่าได้เดี๋ยวนี้นะมันไปกันหมดเกือบจะหมดไปแล้วอันเรื่องเหล่านี้นะคำว่าบุญคุณเนี่ยมันไม่มีเสียแล้วในโลกเนี่ยมันหมดไปแล้วอย่างสองตาก็เกิดมานานก็สมควร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 พ่อเป็นขายขวายเป็นเราเชือกผูกคอตายเดี๋ยววนเล่าเข้าพ่ก็ไปเห็นทันได้ช่วยเหลือลูกไม่ให้ตายก็ลเลยขอยอมว่าจะขายควายซื้อลวดมาใส่ให้ก็รํำเป็นต้องขายขวายถึงซื้อใ ห, อใหอ้มันก็ไม่ผูกคอตาย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 มันก็เป็นมันก็เป็นเชื่อโลกที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกปกัทรวกาณต่างๆแล้วก็จะตายเพราะสิ่งเหล่านี้แหละน่นอนที่สุดจงมาช่วยกันงานอย่างนี้เป็นงานบุญ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 ยาตะคือลู่ตู้แล้วอะไรที่มันอยู่ในชีวิตขลู่แล้วทั้งหมดเลยอันยาอันยาลู้แล้วยาตะอริยาหนีไม่พ้นไม่พ้นดวงตาแห่งสติตีแล้วกระนั้นปริ ญ, ญาแ ก, ก่แกงแล้วไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทำได้แล้วปหาหนปริญาหมดไปแล้วหมดไปแล้ว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 เกิดจากการกระทำของแต่และชีวิตถัลลักเสียนลักกันก็ช่วยกันไม่ได้มีแต่บอกว่าถัลลักกันจึงหัวใจแห่งความรักไม่มีใครเป็นนักรักเท่ากับพูติเจ้าอาวุธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดถึงแม่ไม่เป็นอะไรแนะม่องค์ครีมานจับดาบไล่ฟันอยู่ก็ยังรักองค์ครีมาน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 เราจะลดมันตกแต่งตกแต่งให้คนหลงดูสิทุกวันนี้มันคืออรอเฉพาะใบหน้าเ็ตัขาต้งบริษจัทเป็นเราลวกไปพันพันบริษจัทเช่นผมของเราเขาต้งบริษจัทเป็นพันพันบริษจัท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 ไม่ต้งบันทึกเทปเ <laughs> ขียนติดหน้ารถครูติวต๋วขายครูติ๋วเขียนเนื้อบอกว่าไม่เหมาะนะเอาขี่รถยนเรามาจอดไปโรงเรียนในวันนี้ครูติ๋วเขียนเนื้อเหมือนกับวัดนี่ขายเนื้อฆ่าสัตว์ขายครูครูติ๋ว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 งมไม่หนาเทเลยเขาไม่ยอมเขาผ้ามาหม่มมาขุมให้เห็นแต่ปากเขาว้อนะพูดจังนี้ยนละด้านนำก็ยังหนาวมากนะเะจนจะเดินไม่เป็นน้าตรงไหนน้ำมัไหลเป็นน้ำแข็งแต่น้ำแข็งอยู่ข้างบนกลางล่างมันยังไหลได้ตั้งบนมันแข็งข้างล่างน้ำยังไหลอยู่ ไม่ก็นกั่น่ะอย่าอ้างว่าหนาวนักเหิวนักร้อนนักเหนื่อยนักความรู้สึก ต, ตัวนี่อ้างอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่มีอะไรอ้างเลยแหลมคมมากเนื้อทุกอย่างความรู้สึก ต, ตัวควมไม่ทุกข์ควมไม่โลงไม่มีอะไรอ้างเลยเอาความหนาวมาอ้างเอาความเก็บมาอ้างเอาความตายมาอ้างไม่มีในความรู้สึก ต, ตัวเนี่ย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 ปฏิบัติธรรมเนี่ยตามตามพระเจ้าทรงทรงโซนเนี่ยมีสติเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ติเนี่ยเอาลมหายใจมาลู้ก็ได้พิบตาก็ได้เคลื่อนก็ได้อยูเฉยๆก็รลู้ได้หับกับความลู้ตื่นกับความลู้หัดไปอะไรก็ตามมีแต่ลู้มีแต่ลู่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 ซื้อบ้านได้คุณมีสิทธิ์มีรดโยนได้คุณมีสิทธิตไมโอดม่อยากฆ่าทํางานหยุดเราเพราะเขามีปัญญาเขาทาได้เขาจึงไม่มีบ้านไม่ช่องเขาไปทํา ง, งานทั่วๆไปไปได้นี่คนมีปัญญาไม่ผิดหลวงผิดหลั ง, ลงแต่คนมีปัญญาพราะหลวงผิดหลัง เต่นายช้างต้องหอบด้วยหอบกบขายนุ่นขายปอขายอ้อยรถฉีโรอหลวงพ่อเทียนเคยพูดเราเนี่ยพ่อเทียนบอว่าเงินหมื่นเงินร้อยหายากเงินหน่วยเงินพันหายากหาเงินแฉนหายง่ายงาจนจะไงหลวงพ่อ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 ประทับใจตอนที่สงพ่เทียนสอนใ ห, ให้เราเห็นความคิดอย่าเข้าไปเป็นผู้คิดประทับใจมากตรงนี้จ บ, จบตรงนี้นะจบตรงนี้แน่นอนนะอุปทูปทควคาสุขทุกที่เกิดจากความคิดนี่จะไม่มีอีกแล้ววะนะันจบไปอะไรเลยเปิดเนี่ยไม่มีอะไรแล้ววัะนะ